สวดมนต์ภาวนาเป็นเรื่องเดียวกันเราขึ้นต้นด้วยการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยบทอรหังสัมมาสัมพุทโธภควากราบเสร็จตั้งนโมสามจบแล้วก็มาสวดบทอิตติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็มาอธิษฐานจิตขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้มีความสุขกายสุขใจโชคดีตลอดไปแล้วก็มาสำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดไปจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิสวดไปสวดไปสวดไปถ้าจิตจะสงบจิตจะหยุดสวดจะนิ่งอยู่เฉยเฉยถ้ามันนิ่งก็ให้นิ่งอยู่นั่นไม่ต้องสวดต่อถ้าจิตสวดเองปล่อยให้สวดถ้ามันหยุดปล่อยให้มันหยุด คนทั้งหลายไปเข้าใจว่าสวดมนต์ก็อันหนึง่งสมาธิก็อันหนึง่งเลยเวลาสวดมนต์เนี่ยสวดเอาสวดเอาสวดให้มันจบจะรีบไปนั่งสมาธิอันนี้เข้าใจผิดนั่งต่อก็สวดอิติปิโสต่อต่อไปเลยไม่ต้องนับมันได้มากเท่าไหร่ยิ่งดียอดของการสวดมนต์มีแต่อิติปิโส